ศิกขาบทที่สภิกษุณีให้วาระผลัดเปลี่ยนสังคาติที่มีกำหนดระยะเวลาห้าวันล่วงเลยไปต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตี